สิขาบทที่8ว่าด้วยการให้สมณะจีวรแก่ผู้ไม่ใช่ภิกษณุณีเรื่องภิกษุณีทุลนันธา916สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคาพระเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาให้สมณาจีวรแก่พวกครูนักพรบ้างพวกนักพรบ้างพวกกระโดดไม้คําบ้าง พวกมายากลบ้างพวกตีกลองบ้างกล่าวว่าพวกท่านจงกล่าวพนาคุณของดิฉันในชุมนุมชนพวกครูนักฟ้อนบ้างพวกนักฟ้อนบ้างพวกกระโดดไม้ค้ำบ้างพวกมายากลบ้างพวกตีกลองบ้างต่างกล่าวพนาคุณของภิกษุณีทุลนันธาในชุมนุมชนว่าแม่เจ้าทุลนันธาเป็นพวกมูสูตร gained, เป็นนักพูดแกล้วกล้าสามารถกล่าวธรรมีคาถา พวกท่านจงถวายจงกระทําสการะแก่เธอบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามโพนทนาว่าฉันในแม่เจ้าทุลนันทาจึงให้สัมราชจีวรแก่ชาวบ้านเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกลาวทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ